ทีนี้ที่ที่เข้าไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะก็ยึดถือว่าหนึ่งอ่า น, นะเอตังมะมะใช่ไหมยึดถือขันหน้าว่าของเราเนี่ยนะหรือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะก็ยึดสามอย่างนี่แหละยึดในขันห้าเหล่านี้แล้วจริงๆละ่ะเป็นยังไงองค์ก็ถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะอันนี้ต้องการแก้แล้วนะ เนี่ยวิธีแก้แล้วที่จะไม่ให้เกิดทิฏฐิก็คือรูปก็ถามย้าว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจาา้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยนะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรพระเจาา้าค่ะเนี่ยนะพอไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นอัตตาของเราณทิฏฐิมันจะเกิดไหม ไม่เกิดเนี่ยนะพราะถ้าทิฏฐิไม่เกิดเนี่ยถ้าไม่ยึดถืออย่างนี้ทิฏฐิไม่เกิดพอทิฏฐิไม่เกิดอย่างนี้ก็เพราะไปเห็นรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทีนี้การพิจารณาขันธ์ห้าโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เฉพาะแค่นี้เท่านั้นแล้วพอใช่ไหมอันนัถ้าตามนี้ท่านบอกว่าปริวัติสามอนน้ ก็กล่าวต่อไปว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีใกล้ไกลเธอพึงเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงนั่นว่ะนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรานะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันให้พิจารณาอย่างนั้นให้หมดนะคือให้พิจารณาว่าขันห้าทั้งหมด ท, ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็น อนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งขันห้าภายในขันห้าภายนอกขันห้าหยาบขันห้าละเอียดขันห้าที่เลวขันห้าที่ประณีตขันห้าอยู่ใกล้ขันห้าอยู่ไกลเนี่ยทั้งหมดมันก็คือขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนี่ยนะอันนี้เลยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าอนุปัสนาสามอย่างนี้บริบูรณ์ความเบื่อหน่ายก็จะจะเกิดนั้นนั้นอริยสาวกก็จะเบื่อหน่ายแม้ใน ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม่ในเวทนาย่อมเบื่อน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อน่ายแม้ในสังขารเบื่อน่ายแม้ในวิญญาณเนี่ยนะเมื่อเบื่อนายวิราคานิโรธานะอนุปัสนาเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดอริยมรตที่เรียกว่าวิราคะเมื่อวิราคาคืออริยมรตเกิดอริยผลก็เกิดซ้ําอย่างนี้สี่ครั้งนะสครั้งพระมรตต้องมีสี่มรตไหมจึงจะแก้หลุดจริงๆริงนไมมรตเดียวไม่พอ ว่าให้มันได้สักมั้งนะคุณชูศรีก็สั่นโดดมากเขขอมากเดียวกันไดโสดาปฏิมักกันนะปิดอบายได้ก่อนก็อุ่นใจแล้วนะไม่ใช่ยังไม่ได้ได้สักมั้งแล้วก็อุ่นใจแล้วนะไม่พอนะ้อเพราะงั้นก็เบื่อหน่านะผู้ที่ปฏิบัติเจริญตามนั้นก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนะบอกว่าถ้าตามจบสูตรนะพี่สุห้าร้อยเหล่านั้นบรรลุเป็นพท่ารหันหมดเลย ของเราก็ได้บุญเลยคุณภาบอกว่าเวลาเขาอ่านแล้วเาจะอนุโมทนาที่ท่านเหล่านั้นปฏิบัติดีกันนะฮะสาธุนะแล้วเขาอ่านก็ยกมือไหว้ไปด้วยเออดีอนุโมทนาด้วยก็อา้าวก็พระพุทธเจ้าคาสอนพระองค์นี้พระพุทธ เ, เขาบอกว่าพระพุทธเจ้านี้เกิดขึ้นในโลกเนียเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเนาะ คำสอนเหล่านี้สอนให้สัตว์เนี่ยเข้าถึงความสุขหนอสาวกของพระองค์นี้ปฏิบัติเนี่ยนะแล้วก็จนได้เป็นนาบุญของโลกเนอเพราะว่าหลังจากนั้นนะท่านเหล่านี้จะไม่ใช่ท่อนฟืนนะใช่ไหมท่านเหล่านี้จะเป็นอัคระทักขินยะบุคคลเหมือนกันเถอะเพืว่าเป็นทักขินยะบุคคลที่เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะก็เป็นนาบุญของโลกเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่า พระัตนะตรายนี้เป็นอย่างนี้เองแล้วก็เวลากล่าวผู้ทางสรนั ง, งข้าฉามิก็ก็ก็แจ๋วละเนี่ยนะก็มั่นคงขึ้นชัดเจนขึ้นตรงประเด็นขึ้นไม่ใช่ผู้ทางสารนังข้าฉามิก็ก็จําได้อยู่ศัพท์นั้นแหะแล้วก็เบื่อเต็มทีแล้วเมื่อไหร่ก็พาว่าแต่ผู้ทางเนี่ยนะไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยอ่ะที่จริงแล้วตรงนั้นเนี่ยโบราณเขาวางไว้ดีมากนะแต่ความเข้าใจเริ่มหมดหมดตก็เลยเสียหาย สูตรนี้มีใครจะต้องการเพิ่มเติมอะไรไหมจวนสูตรต่อไปเนี่ยนะโกสัมพีสูตรนี้พูดถึงการแทงตลอดอรหันเนี่ยนะเอาไว้ยี่สิบสามในแสดงอรหัตตะผลเอาไว้ยี่สิบสามในเลยนะโอ้โหสูตรนี้น่าสนใจไหยถ้า สติปถานที่เราเรียนมาเนี่ยนะบนรรลุอรหัตผลแค่ยี่สิบเอดในใช่ไหมยี่สบเอดบัพพาอารหัตผลยี่สิเอ็ดในอะ่ะเนี่ยปาลิเลยะสูตรเนี่ยนะอรหัตผลยี่สิบสามในแต่ว่าทำไมเวลามันน้อยจังเอาไว้วันวันจำดีกว่านะนี่ใครมีอะไรจะเอามากล่าวไหม ไม่ฟังอ่ะเกี่ยวกับพวกเจ้าเนีเขารื่เจ้าเดินไปได้ยิ้มว่าแล้วสมิทธ์มันออกจากฟเที่ยวอยู่นะแล้วเอาไปหลังพันโดนเนี่ยก็ถามว่ามีเหตุไหนทียิมแบบนี้อ้แพทที่มันเดินอยู่าหน้าอ่ะอีกเจ็ดเก้ามันต้องตายได้คนที่จุงแพทมันก็ได้ยินเรื่เจ้าพูดแบบนี้ก็เลย้าไปปลูกไว้กัต้นไม้ดูที่มันเดินไม่ได้เจ็ดเก้ามันจะตายไหม พอสะพันเนื้อฟ้าผ่านมาโดนหุบก้อนหินน่ะก้อนหินกระเด็นไปถูกแพร่คอหางตายมันก็แปลกนี่สงสาเจริญที่เล่นน่ะใ น, นก็ไม่รู้ใช่ไหยส่ว <c oughs> แล้วก็สันถัดที่นั่งของพระพุทธเจ้าไม่มีมันแรงของศาสนาอื่นมันแรงจนเลยพระพุทธเจ้าี่มีดุมากที่ตั้งที่ย้าอุย่ามาถากเป็นสันทันี้นัไม่มีมันแรงอยู่ไอของศาสนาอื่นนีม่มันแรง นั่งไปเกาไปเนไปเกี่ไปงันงานเงานเะเนักกางานนไปจำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ค่ยจำมันนะเกต นี่เมนชวนฟังอย่างฟังอาจารย์เกติอยู่จัหลุขึ้นอากาบ่อยๆนี่ประมาสาโลตัวกันนะมอ่าารนีเมื่อตอนีห้าลมตึงไม่ทานไม่ได้ฟอันนัไปดูในสีหาสูตรนะสีหาสูตรหน้าหนึ่งร้ยเจ็สิบเอ็ดนะย้อนไปก็ได้ให้สูตรสั้นๆให้เหมาะกับเวลา หนะึ่งร้อยเจสบแดข้อหนึ่ง้อห้าสิบห้าสีหสูตรมางั้นแท้พูดถึงราชสีบรลลือสีหานาฏกับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยเหมือนกันถ้าราชสีบรลลือสีหานาฏนะสัตสุดุง้งถ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยเทวดาก็สุดุง้งมางั้นแต่สะดุ้งด้วยยานนะดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายพยาสีหมฤุขราช เวลาเย็นออกจากที่อาศัยแล้วก็เหยียดกายครั้นแล้วก็เหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบแล้วก็ได้บลือศีหน้าสามครั้งจึงออกเดินไปเพื่อหากินดูความพิสูจนทั้งหลายผู้วักสัตว์เดรฉานทุกหมู่เหล่าได้ยินเสียงพญาสีหม์มฤคราชบลือศีหนาาอยู่โดยมากจะถึงความกลัวความตกใจและความสะดุง้ง จำพวกที่อาศัยอยู่ในรูจะเข้ารูจำพวกที่อาศัยอยู่ในน้ำจะดำน้ำจำพวกที่อาศัยอยู่ในป่าจะเข้าป่าจำพวกปักสีคือนกจะบินขึ้นสู่อากาศดูก่อนพี่สูทั้งหลายถึงพญาช้างทั้งหลายของพระมหากษัตริย์ซึ่งล่ามไว้ด้วยเครื่องผูกคือเชือกหนังที่เหนียวในคามนิคมและราชธานีก็จะสลัดทำลายเครื่องผูกเหล่านั้นจนขาด กลัวจนมูดคูดไหลหนีตเตลิดไปเหมือนั้นช้างตกมันยังกลัวเลยนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายพญาสีหมรคราชมีฤทธสักดานุภาพยิ่งใหญ่กว่าสัตว์เดรฉ า, านทั้งหลายเช่นนี้แหลนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมะเสดอุบัติขึ้นในโลกนะ้แปลแบบสำนวนคุณเคยกันก็ ath ath olo, ano, ah ama, uto, ana, ano, อิทัตถะคตโโลกเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูนี่แหละบทนั้นนะคุณเคยกันพระองค์ก็แสดงธรรมว่าเนี่ยนะ แสดงทำแบบไหนแบบสติปัฏฐานธรรมนานุปัสสนานี่แหละ ว, ว่ารูปเป็นดังนี้นะหรือว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูปนี่คือบรรลือศีรนาฏในพระพุทธศาสนาเป็นโห oh, เป็นบรรลือศีรนาฏว่ารูปเป็นอย่างนี้นะเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้อั้นถ้ากล่าวว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปั๊บปฏิเสธว่าเป็น อัตราปฏิเสธลับที่ทั้งหลายแหลที่มีอยู่ในในโลกเกือบทั้งหมดเนี่ยนะที่ที่เป็นลับที่ที่เกิดจากไอ้สกายทิฏฐิเนี่ยนะปฏิเสธหมดเลยวันนี้ขันห้านะขันห้าก็ขันห้าวันยังค่ําขันห้าไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นที่คนพานคิดขึ้นไม่ใช่อย่างอื่นที่เดรธีคิดขึ้นขันห้านี้ความเกิดขึ้นแห่งขันห้าอันนี้รู้เลยนะขันห้าจะเกิดเกิดด้วยการยี่สิบห้านะ นี้ความดับไปแห่งขันห้านนะก็ขันห้าจะ ด, ดับดับด้วยอาการยี่สิบห้าดูก่อนพิสูจทั้งหลายแม้เทวดาทั้งหลายที่มีอายุยืนมีวันะงามมากด้วยความสุขซึ่งดำรงอยู่ได้นานในวิมานสูงหมายถึงพรหมนะนะได้สะดับธรรมเทศนาของพระตถาคตแล้วโดยมากก็ถึงความสะดุ้งกลัวสังเวชน่นะ ความสะดุ้งว่าไอสะดุ้งในที่นี้สะดุ้งด้วยพยาญานนะพยาญาณไม่ได้หมายถึงโทสะนะหมายถึงพยาญาณเนี่ยเกิดกว่าพ่อมหาจําเริญทั้งหลายเออในยะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้แต่ได้เข้าใจว่าเที่ยงคือลัที่โดยโดยมากนะถือว่าพรหมโลกนี่เที่ยงนะใช่ไหมนะถ้ า, ถารัที่มาทางอินเดียส่วนใหญ่นี่ถือว่าพรหมโลกนี่ถาวรเ น, นี่ยนะเที่ยงหมดเลยแต่พระองค์บอกว่าทั้งหมดนั้นคือขันห้านะ พรมโลกก็คือขันห้าขันห้าเกิดด้วยอาการอย่างนี้ขันห้าถ้าจะดับก็ดับโดยอาการอย่างนี้เนี่ยนะมันก็สำคัญผิดพรมเหล่านั้นสำคัญผิดว่าโอที่แท้ที่จริงอะ่ะไม่เที่ยงกสําสำคัญว่าเที่ยงเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่ยั่งยืนเลยแต่เข้าใจว่ายั่งยืนเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่แน่นอนเลยแต่ได้เข้าใจว่าแน่นอนพ่อมหาจำริญทั้งหลายได้ทราบว่า ถึงพวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนนับเนื่องในส ก, กายะก็อยู่ขันห้านั่นแหละไอ้ที่เรามาสำคัญมั่นหมายเนี่ยนะก็คือสำคัญอยู่ในขันห้าติดข้องอยู่ในขันหเท่านั้นเอง ดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตมีฤทธศักดานุภาพยิ่งใหญ่กว่าโลกกับทั้งเทวโลกเช่นนี้แหลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนพรหมย่างสะดุง้งแต่ไม่ใช่โทสะนะอันนี้หมายถึงสะดุ้งด้วยพยาญาณนะพยะญาณอาทีนวายานนิพิทายานนะนะที่บอกว่าโอ้โหนี่ติดก็ติดอยู่ในสากายะข้องอยู่ในขันห้าเท่านั้นเองางพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตสาสดาครั้นได้ตรัสวยาการณภาสิทธิ์นี้จบแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่า เมื่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาหาบุคคลเปรียบไม่ได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทรงประกาศธรรมจักรคือความเกิดขึ้นแห่งกายตนคือความเกิดขึ้นแห่งขันห้านะสกายะเนี่ยนะหมายถึงขันห้าความดับแห่งขันห้าและอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อันประเสริฐอันให้ถึงความสงบทุกแก่สัตว์โลกกับทั้งเทวโลกสรุปว่า พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจใช่ไหมอย่างที่กล่าวไปนะนี้นี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นสัจจะอะไรทุกขสัจนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสมุทัยสัจนี้ความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนิโรธสัจด้วยไอปัญญาที่เข้าไปเห็นอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเข้าไปเห็นนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิ ใคร่ครวญวิตกในสิ่งนั้นๆมากเป็นสัมมาสังกัปปะถ้าเอาสิ่งนั้นมาพูดมากๆเป็นสัมมาวาจาเนี่ยนะอาชีพอะไรกายวาจาอาชีพที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพิจารณาอย่างนี้แหละเป็นสัมมาวาเอา่อวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะใครครวรเพ่งเพื่อที่จะเห็นแบบนี้แหละที่จะคิดตรึกแบบนีส้สงบกับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าการเจริญอริยมรรคเนะี่ย ทีนี้ถ้าถ้าบริบูรณ์ก็ขณะอริยมรรคใช่ไหมอันเนี้ยที่จะสงบระงับทุกนะเพราะถ้าเจริญถูกเนี่ยนะถ้าถ้าบอกว่านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะอันนี้ละสกายะละสกายะทิฐิได้นี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะละวิจิกิจฉาละสะละอุดเฉททิฐิได้นี้ความดับนะละสะสตทิฐิได้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นการไข้ควรวนอย่างนั้นนั่นแหละจึงเป็นการประกาศอริยสัจเป็นการบรลูสีอนาจในในพระพุทธศาสนาของเราฟังแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมไม่เห็นคำรามอะไรเลยนะก็ฟังแล้วก็ธรรมดาสดแสดงว่าพวกผมมิฉาอาชีว ะ, ะส่วนใหญ่ก็ทันแหะครับที่มุ ก, กี้ว่านะครับอาชีวะนี่ยสรมมาอาชีวะนี่ครับอาชีพของนักบวชจะชัดเจนมากเลยตามในนี่นะครับออื คืออาชีพที่ที่อนุวัตต่อการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแต่อย่างอาชีพทั่ ว, วไปนี่ท่านบอกว่าให้มันยังไงก็อย่าให้มันล่วงกรรมบดนะนะท่านห่วงตรงนั้นนะคืออย่างทั่วๆไปอ่ะเราจะได้ยินว่าอาชีพที่เว้นจากการร่วงกรรมบททางกายทางวาจาเนี่ยนะก็จะเน้นอาชีพลักษณะนั้นแต่อันนั้นหมายถึงอาชีพธรรมดาที่ที่ปิดอบายได้นะถ้าถ้าเป็นธรรมะกลุ่มที่แสดงกับคารวะโดยมาก จะบอกว่าทำยังไงไม่ให้เขาไปอบายเท่านั้นอ่ะยังไงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยังดีเนี่ยนะแต่ว่าถ้าแสดงกับพระพิสุกก็นั่นแหละทำยังไงท่านจะนิพพานได้แบบนั้นเถอะจลอง่านอาชีพอีกทีดีครับนี้นะลอ่านอาชีพของท่านอีกทีครับที่ว่าถึงเรื่องอาชีพเมื่อกี้นี้ัในนี้ไม่ได้อ่านนี่เอามาจากที่อื่นเอาก็เล่มเดียวกันนั่นแหละของมาเอามาประกอบอาชีพขอทาการทีจนี่ไหนเวกัน เอาไว้ไปถามขอทางก็ถามโจรดูเนี่ยนเพราะฉะนัะ้นถ้าย้อนไปนะย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยคืออริยมรรคเนี่ยนะอันประเสริฐที่ประกอบไปด้วยองค์แปดอันให้ถึงความสงบทุกแก่สัตว์โลกกับทั้งเทวโลกสรุปก็คือพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจนั่นเองนะสกายะความเกิดขึ้นแห่งสกายะ ความดับแห่งสกายะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสกายะทีนี้ถ้าอย่างตอนแรกเลยนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะนะอันนั่นแหละการประกาศเช่นนั้นเนี่ยละสกายะทิฏฐินะไม่ใช่ละสกายะคือละอุปาทานขันห้านังนละไม่ได้หรอกแต่ละตัวทิฏฐิที่ไปเห็นผิดในขันห้าเนี่ยนะ ถ้าบอกว่ารูปนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะชนะั้นแรกละวิจิกิจชาละทิฏฐิที่มีเหตุไม่สม่ำเสมอละอะไรอุดเฉททิฏฐิเนี่ยนะนี้ความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดับสัสตตทิฏฐิเนี่ยนะแล้วก็ดับทิฏฐิทั้งมวลเนี่ยน ะ, ะผู้ที่มีความเห็นหรือเข้าใจแบบนั้นนั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิ เห็นแบบนั้นนะเข้าใจแบบนั้นเลยนี่สัมมาทิฏฐิแล้วอันนัน้นี่เป็นมรรคข้อแรกก่อนนะถ้าถ้าเป็นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความบปนทุกข์อันแรกก่อนนะต้องคิดเข้าใจแบบนี้ก่อนสองพอเข้าใจอย่างนี้เรามาคิดแบบเนี้ยคิดมากๆทีนี้คนเนี่ยมันคิดแล้วมันพูดบทพู ด, พดไม่ได้ใช่อันนั้นแหละเป็นวาจาทีนี้คนเนี่ยพูดอะไรก็ทําอันนั้นนั่นแหละนนะก็จะพฤติกรรมก็จะต้องอนุว่าตาม ตามความเห็นอันนั้นขึ้นทีนี้คนที่เห็นภายในวัฏตะแรงกล้าก็บอกว่าฉันประกอบอาชีพแบบคาราวาสไม่ได้แล้วฉันต้องบทเนี่ยะเพื่อที่จะได้มาคิดเรื่องราวเหล่านี้ให้มันมากแสดงว่าอาชีพของท่านจริงๆแล้วเนี่ยต้องแสดงธรรมเพื่อช่วจะแลกกับกับข้าวอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพเพราะว่าต้องพูดวนคิดด้วยพูดด้วยถาด้วยในเรื่องเหล่านี้ครับการการมาพูดการมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่อาชีพ เนี่ยนะอ่าตัวอาชีพจริงๆคือบินทบาต <Yeah. S 1> อัะนนะ่อ่าการแสดงธรรมแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการสงเคราะห์เป็นเรื่องกรุณาอะไรอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพเลยแต่ถ้าแสดงแล้วปลารบเพื่อเพื่อจะเอาปัจจัยสีนะอันเนี้ยผิดเ <Yeah. S 1> นี่ยนะเช่นแสดงแล้วนะถ้าเราเทศน์ให้เขาฟังเขาจะเอาจีวรมาให้เขาจะถวายอาหารหรือพูดแล้วก็ให้เขาเอามาให้ไอ้พวกนี้ไม่ดีทั้งนั้นนะผิดหมดเนี่ยนะคือคําว่าผิดนี่หมายความว่าอาชีพไม่ค่อยดี พูดเนี่ยอาชีวะว่าจารสมาวาจารเนี่ยนะคือตัวตัวตัวหลักแล้วนะ อ, อย่างภารกิจในการสอนเป็นต้นเนี่ยถ้าว่าให้ตรงเลยอะถ้าเป็นอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ใช่ภาระของพระภิกษุเป็นภาระของพระพุทธเจ้าในการสงเคราะห์บริษัทนั่นนะถ้าว่าให้ตรงตรงแต่พระพุทธเจ้าจะสรรเสริญผู้ที่พระภิกษุที่ช่วยสแสดงช่วยสั่งสอนช่วยอะไรเนี่ยนะ พระ อ, อง์ก็จะสรรเสริญแต่ว่าไม่ใช่งานหลักของท่านการการแสดงทำการเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่งานหลักถึงไม่ทำตรงนี้นะแต่ว่าถ้าพูดแบบโค ป, ปาละกะสูตรก็คือไม่ได้สมควมังนั้นเถินะไม่ได้สมควัก็คือขาดไอ้องคุณด้านอื่นๆไปเนี่ยนะแต่ว่าพระ อ, องค์ไม่ได้ตำหนิอะไรเพราะไม่เทศ แต่ตัวอาชีพก็คือท่านบอกว่าเน้นอาชีพที่เว้นจากกายทุจริตและวจีทุจริตถ้าเป็นพุทธพจน์ ท, ท, ทั่วไปก็คือบอกว่าละมิชฉาอาชีพประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์เว้นเดรัชานกถาเป็นต้นเสียแต่ถ้าถ้าตั้งใจนะว่าแสดงธรรมเพื่อปัจจัยสี่เนี่ยนะอันนั้นอ่ะไม่ไม่ดีออคาว่าอาชีพเนี่ยก็คือเหตุแห่งความเป็นอยู่ใช่หม เหตุแห่งการดำรงอยู่คือจะจะจะมีชีวิตดำรงอยู่เนี่ยอยู่ได้ยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งกระบวดเลยท่านก็พระ อ, องค์ก็บอกว่าบินทบาต อ, อาหารของเธอนะนับด้วยการบินทบาตนะอาศัยปลีแข้งถ้าเป็นอย่างอื่นที่เขามาเช่นพวกเขานิมนไปฉันเขาอะไรทั้งหลายแล่เนี่ยถือว่าอดิเรกราบอติเรกะนะติเรกระลาบคือถือว่าแปลว่าลาบเหลือเฟือว่างั้นเถิด ถือว่าไอ้ส่วนที่เรียกว่าแล้วแต่เราอะนะจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ถือว่าเป็นอดิเรกลาบเครื่องนุ่งห่มของเธอเนื่องด้วยผ้าบางสกุลทั้งหลายเนี่ยนะผ้าบางสกุลก็ไปเก็บเอาจากไหนก็ได้เหมือนนนะตามสมควรถ้าเขาเอามาถวายเช่นเครือหะ บ, บดีจีวอนเป็นต้นถือว่าลาบเหลือเฟือเนี่ยนะถือว่าของเหลือเฟือแล้วน ะ, ะที่อยู่อาศัยของเธอนับเนื่องด้วยโนนโคนไม้เหนะมือนันเด้อโคนไม้ถ้าได้กุติเป็นต้นนี้ถือว่า ลาบเหลือเฟือยาของเธอก็น้ําเนี่ยนะยาดองด้วยน้ํามูดเนี่ยถ้าเป็นเพสัชน้ํำพึ่งน้ําอ้อยเป็นต้นเนี่ยถือว่าลาบเหลือเฟือเพราะฉะนั้นปัจจัยสีเธอเนื่องด้วยอันนั้นต์เรียกว่านิสัยสีนะแล้วก็อัอากกรณีิยกิจอีกสี่นั้นอุปชาจะให้ตั้งแต่แรกแล้วก็จะให้เกสาโลมาก็ไปจะคิดอันนี้ให้มากๆากจะเป็นตลาดเหลือเยอะๆเนี่ยไปขายนต่ดไครับไปขายแล้วสั่งมาทำใหม่ ของมาไม่เคยทําเลยมันก็จ ะ, ะกิจกรรมทางกายวาจาและอาชีพเนี่ยนะก็จะให้มาเกี่ยวข้องกับการมาคิดวันนี้ขันห้านี้เหตุเกิดแห่งขันห้านี้ความดับแห่งขันห้ามันก็อันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทิฏฐิในในาศาสนานี้ใช่ไหมเป็นเป็นตัวหลักที่เป็นหัวใจจริงๆงนะแม้แต่ผู้ที่มาบวชทั้งหลายก็ มาเพื่อทากิจอันนี้เมื่อทากิจอันนี้ก็จะได้บรรลุเป็นเป็นพระอริยะบุคคลที่จะทำให้พ้นจากวัตทุกเนี่ยนะส่วนถ้าอย่างที่คำถามที่ผู้การว่าการแสดงธรรมนี่เป็นอาชีพไหมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพราะว่าเออพอมาคิดดีๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าสมัยพุทธกาลนี่นะท่านที่บาเพ็ญเพียรเนี่ยท่านท่านก็ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้แสดงธรรมมี นะเพียงแต่ว่ามีด้วยปรีแข่งจริงๆเพื่อ<ช>ที่จะเลี้ยงชีวิตแล้วก็ไม่ได้แสดงทธรรมจนกว่าจะบรรลุก็มีแล้วไม่ได้แสดงเลยก็มีบรรลุแล้วไม่แสดงก็มีมีมากกว่าแสดงเพราจงจึงจงจงไม่จึงไม่ถือว่าไม่ไม่เกี่ยวกับอาชีพอะรอชีพแต่นะว่าการแสดงธรรมเนี่ยนะถ้าตั้งความปรารถนาผิดถ้าแสดงเพื่อปจัจจัย4ี่ที่เรียกว่าแสดงเพื่อลาบะนะก็ก็นับเนื่องในอลาคัตทูปมาปริยัตเนี่ยนะที่ปริยัตเหมือนกับ กับทางที่อาสารพิษเนี่ยนะเพราะว่ า, าความเสียหายนะถ้าถ้าไม่สังวรจริงๆแนละสการะทั้งหลายคือต้นเหตุแห่งความเสียหายเพราะฉะนั้นตัจใจสีที่เาเอามาถวายเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่าลาบหรือสการะลาบแปลว่าการได้ใช่สการะก็คือสิ่งที่เขาบูชาพง์บอกว่าลาบสการะนี่เป็นอันตรายที่เผ็ดร้อนที่สุดต่อการบรรลุมรรคผลต่อการคิดอรยิยสัจนะ การได้ปัจจัยสี่กับการเคารพที่คนอื่นเขาเคารพเนี่ยอันตรายต่อการคิดอริยสัจที่สุดเนี่ยนะถ้าเทียบกับอย่างอื่นแล้วนะผู้นะที่แสดงธรร ม, รมถ้าทั่วทั่วไปแล้วท่านนับว่าเป็นธรรมทานเป็นธรรมทานคือเรื่องในอ่ะ พูดถึงว่าผู้ที่อยู่ในสมณเพศนี่นะก็วนเวียนอยู่ในในอริยสัจสีตลอดใช่ไหมเชื่อไมว่าสัมมาทิฏฐินี่นะก็หมายความว่ า, าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่จะต้องมีความรู้ไปในเรื่องของของของอริยสัจสี่เนี่ยนีไม่พ้นเนี่ยอันนี้เป็นทิฏฐิของศาสนาเนี่ก็พุทธศาสนาก็คือศาสนาที่ที่ พุทธะนะก็บอกแล้วว่าเห็นอริยสัจหรือตรัสรู้อริยสัจเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาในาศาสนาเนี่ยความเข้าใจอริยสัจนี่ต้องถือว่าเป็นอันดับแรกก่อนเพราะว่าถ้าอย่างเราเคารพพระพุทธเจ้านะพุทธะก็บอกพุทธะก็คือรู้อริยสัจใช่ไหมเรานับถือพระพุทธเจ้าในฐานะที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนนะอย่างสู่แรกเลยสอนอะไรธรรมจักธรรมจักก็คือ ประกาศอริยสัจแม้แต่อย่างบอกว่านี้ขันห้านี้ความเกิดแห่งขันห้านี้ความดับแห่งขันห้าก็คือประกาศอริยสัจอีกนั่นแหละนะเพราะอันนี้เป็นทิฏฐิในในาศาสนานี้ทีนี้ทิฏฐิเนี่ยลำพังตัวตัวความเข้าใจอย่างเดียวไม่พอต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยคือสังกัปปะเนี่ยนะการการใคร่ครวนเรียกว่าเหมือนกับมือเนี่ยนะที่เข้าไปช่วยทีนี้ชีวิตของคนมันจะต้องดำรงอยู่หรือว่าพอมีสังกัปปะไอวา วิตกอันนี้เป็นเหตุของวจีเพรา ะ, ะถ้าท่านจะพูดท่านจะพูดสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแล้วกายกรรมของท่านต้องอนุวัตที่มันไม่ขัดต่อต่อหลักเหล่านี้ปัจจัยสี่ที่ทําให้ดํารงชีวิตอยู่ได้ต้องไม่เสียหายต่อการมาไข่ครวญสิ่งเหล่านี้นะท่านเพียรก็เพียรเพื่อจะเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าไม่หลงลืมก็คือไม่ลืมสิ่งนี้ถ้าจะสงบก็สงบเพราะเพราะสิ่งนี้คืออรยิยสัจอย่างนี้เนี่ยนะ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักการที่ใหญ่มากเอันนี้ถือว่าเป็นโครงสร้างตั้งกันแรกถ้าถ้าไม่เข้าใจอันนี้นะจะไม่ทํากิจของตัวเองอเมื่อไม่ทํากิจของตัวเองก็จะไปทํากิจของผู้อื่นแล้วก็สําคัญนะมันไม่ใช่กิจของผู้อื่นด้วยสิไอ้ตรงนี้เสียหายกิจตัวเองก็ไม่ทํากิจผู้อื่นก็เสียหายเช่นอย่างสมัยพุทธกาลใช่ไหมปลูกดอกไม้ให้คารวาสอย่างเงี้ยให้ให้เขา รับเลี้ยงเด็กให้เขาอย่างนี้เพราะถ้าถามว่าตัวเองนี่ก็ทําลายตัวเองด้วยนะสมณ ก, กิจไม่ได้และประทุษรายตระกูลด้วยธรรมะทางธรรมเรียกว่าประทุษรายตระกูลถามว่าทำไมจึงเรียกว่าประทุษรายตระกูลเพราะตระกูลเหล่านั้นเขาจะห่างพระตัตนะไตรามากขึ้นเขาจะเห็นพระพิสูจนเป็นอะไรคนใช้ของเขาอ่ะนะคนเลี้ยงลูกเขาอ่ะนะ เขาก็จะมองเท่านั้นแหละนั้นก็ไม่ได้มองว่าเป็นนาบุญท่าสายท่าให้ทานสายบาตให้ท่านเพราะท่านจะเลี้ยงลูกเราอย่างเงี้ยนะก็ก็จะคิดในแง่นั้นเขาจะห่างจากพระรัตนตรยัยก็อย่างนั้นแค่เรียกว่าประทุสรายตระกูลมันก็ก็ใครรู้กิจของตัวเองหรือไม่รู้กิจก็พิจารณาเอาแต่ในขณะเดียวกันนะทั้งทำจะทําอะไรนะมันก็เป็นมรรคหมดแหละแต่ว่ามรรคมีสองอย่างนะสมัมมามรรคกับ มิจฉามัจทีนี้ในบรรณ a m มัจมัจอีกชื่อหนึ่งเครียกว่าปฏิปทาเนี่ยนะปฏิปทาก็มีหลายสายนะปฏิปทาบางอย่างอะไรนึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าสัพพัทธคามินีปฏิปทายาณนะญาณจะรู้ว่าปฏิปทาอย่างนี้ถ้าเธอทําแบบนี้เที่ยงจะตกนรกทําอย่างนี้เที่ยงจะเป็นเปรตทําแบบนี้เที่ยงจะเป็นเนรชาทําแบบนี้เที่ยงจะเป็นมนุษย์ทําแบบนี้เที่ยงจะเป็นเทวดาทำอย่างนี้เป็นพรหมนะถ้าปฏิบัติอย่างนี้พ้นทุกนะ แล้วของเราเข้ามาทําอะไระตรงเนี้ยที่ที่เรียกว่าต้องชัดเจนเป็นเป็นอันดับแรกเนี่ยนะก็ะยังไงยังไงก็จะได้วันหลังใครเตือนก็จะได้มีสติกเกิดขึ้นได้แต่ถ้าอันนี้ไม่ชัดเจนคนอื่นมาเตือนนะคนนั้นนะขัดขวางความเจริญของเราอย่างนั้นเถอะเพราะขัดขวางวัตถุกรรมของเราอย่างนั้นอันที่จริงทุกเคลียสันนี่นะครับอันที่จริงก็ก็เห็นทนทษ อ, อยู่นี่คนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นน้อยหน่อยข้างหลังเนี่เห็นเยอะเลย เพราะยังไงยังไงเห็นถ้าเห็นขันท่าก็ต้องทุกข์กษัตริย์อย่างเห็นบุญมีเนี่ยนะนี่ก็ทุกข์กษัตริย์อยู่ทนท้ออยู่แล้วแต่ไม่ค่อยเคยคิดก็น<ล>ะให้เห็นว่าสัมมาทิฏฐิเป็นต้นรหรือสัมมาทิฐิไม่ดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้เห็นว่าทั้งหมดนี่คือทุกข์กษัตริย์ว่า ง, งั้นเถอะความเพลิดเพลินในสิ่งนี้เป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยนะแล้วไม่ไม่คิดว่าทุกเนี่ยทุกข์กษัตริย์เนี่ยมันเป็นภัยใหญ่แล้วก็สมุทัยเนี่ยมันคือเหตุแห่งวัทุก์ แล้วคำสอนที่พระสัมมาสอนเนี่ยสอนให้มาพิจารณาแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนสำานวนว่าเราไม่ค่อยแร่งครัดในโอวาทนักเหมือนกันเถะแปลว่าไม่มีพุทธธรรมะสังฆคาระวะตาขาดศิกขาคาระวะตาขาดโอ้เยอะแยะไปหมดจะพูดถึงเลยเดี๋ยวจะโดนมากไป <laughs> สมควรกับเวลาเลยเนาะ